ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระปูติยานกำลังนําเสนอเรื่องปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดที่จะเรียกว่านุโลมโดยทรงพิจารณาเห็นว่าเพราะวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปันจจัยจึงมีอายตนะ เรยายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็มีตัณหาตัณหาปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยก็มีภพเมื่อมีภพก็มีความเกิดในกำเนิดทั้ง4ี่คือประเด็นของความเกิดเนี่ยที่เรียกว่าชาติมีการพูดการแสดงกันโดยวิธีการต่าง แต่ถ้าเราถามว่าในกรณีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไงทรงให้นิยามไว้อย่างไงก็ทรงเน้นไปที่ความเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือเกิดในคันเช่นมนุษย์เป็นต้นเกิดในไข่เช่นเป็ดไก่เป็นต้นเกิดในสิ่งสุกโปรกเช่นเชื้อโรคทั้งหลายเป็นต้นแล้วเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะเช่นภพสุรกายเปรตนรก เทว ด, ดาพกพรมตลายก็เกิดในกำเนิดเหล่านั้นทีนี้พอมาถึงการเกิดเนี่ยมันก็เป็นผลของกิเลสกรรมวิบาก ต, ตรงนี้เวลาท่านแสดงในรูปของวัตตจักรคือจะหมุนวนกันอยู่ต้นเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากเรียกแต่ละข้อเป็นวัตตะกิเลสสวัตรกรรมวัตวิปากวัต ซึ่งคนนี้เราคิดดูง่ายๆนะฮะเจนสมมติว่าเรามีความอยากกินอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็ไปปรุงอาหารขึ้นมารับประทานรู้สึกอรตอรอยรู้สึกพอใจก็เก็บความรู้สึกอรตอรอยความพอใจตรง น, นั้นไว้ไปในจิตมันก็ก่อตัวเป็นกามาธาตุคือเชื้อของความใคร่ ก็เป็นอาการกิเลสต่อมาเราก็อยากอีกอยากอีกก็ปรุงอีกก็ปรุงอีกก็กินอีกกินอีกก็ยังติดใจยอยู่ก็ปรุงหมุนวนกันอยู่เนี่ยอาหารชนิดเดียวเรากินเป็นร้อยๆครั้งอาหารประจำถี่อาหารประจาชาติของชนเผ่าต่างๆในโลกเนี่ยเราเห็นเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมปบากที่มีความต่อเนื่องแล้วพวกนี้มันก็ขยายไปในเรื่องอื่นๆอยู่ในวงจรเดียวกัน หมายความมาเกิดความต้องการที่จะกระทำแล้วก็ทำลงไปแล้วได้เสวยผลแล้วพอใจในผลหรือบางทีเนี่ยไม่พอใจในผลก็อาจจะทำอีกก็ได้แต่นั้นตราบใดที่ยังมีวงจรตรงนี้อยู่มันกลายเป็นกงล้อของสังสารวัฏที่นำไปสู่การหมุนวนไม่รู้จักจบสิ้น และระหว่างตรงนี้ส่งเปล่งเราเรียกว่าพุทธอุทานพุทธอุทานนั้นเป็นลักษณะคำสอนประการหนึ่งก็มีประมาณเก้าสิบกว่าข้ อ, ขอเราเรียกว่าพุทธอุทานมันเกิดขึ้นจากสมนัสสยานคือความรู้สึกเออบิ่มปีติในธรรมที่ปรากฏภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าและภายในจิตใจของประธานหลังจาก ลายสัมบัติผลยางใดอย่างหนึ่งหรือสัมผัสเดยียกาย์ยันใดอย่างหนึ่นงก็จะเปล่งออกมาเป็นรูปของพุทอุทธานตรงนี้พิงเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ภายใต้ต้นพระสีมาโพหรือหลังจากไป ส, สัตรุไม่นาน ก็เป็นการพิจารณาที่ต่อเนื่องมาภายใต้ต้นโพธิ์นะฮะตลอดระยะเวจ็ดวันควายนุโลมก็คือขวายเกิดทีนี้การเกิดเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าที่แสดงไว้ในหมาสัตยพยาโคตมสูตรที่ยกไว้ในวันก่อนเนี่ยทรงพิจารณาก่อนที่จะสัตรูปเป็นการสาวไปจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏ คือมหมายความมันก็สายไปจากสาวไปจากเนี่ยพกอุปายาตโทมานัตทุกปริเวทะโสกมรณะมีชรามาจากไหนก็มาจากชาติก็สาวจากปลายไปหาโคนไปถึงพริชาร่์เดี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราไปตัดเทวันตนะเราเจอเทวันที่ปลายก็ได้เจอเทวันที่โคนก็ได้เจอตรงกลางก็ได้ แล้วก็ตัดเวลาตัดมันก็ตัดที่โคด น, นะครับเพราะว่าเป็นรากงาวของสิ่งด่านั้นแต่ในกระบวนการของปจัจจาการเนี่ยมันมีอวิชากับสังขารนะเป็นเหตุเป็นเหตุในอดีตแล้วก็ทาหน้าที่สร้างขึ้นมาเป็นปฏิสนธิบิญญาณแล้วก็เป็นเชื่ออยู่ใน ปฏิสนธิวิญญาณ น, นั่นเองไม่ใช่เป็นเชื้ออยู่ในจิตนั่นเองเพราะมีเชื้ออยู่เนี่ยเมื่อมาสัมผัสโลกมันก็เกิดปัญหา อ, อุปาทานซึ่งก็เป็นอาการของอวิชชานั่นแหละแล้วก็ให้เกิดพบขึ้นมาพบขึ้นมาก็ถ้าเป็นสังขารพบก็คือพวกสังขารพวกบุญบาปมีความรู้สึกมีท่าทีตัวสิ่งที่เราสัมผัสทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็เป็นเหตุให้คิดบุญ คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปทำเป็นบุญทำเป็นบาป พ, พูดเป็นบุญพูดเป็นบาปมันก็สะสมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นแล้วก็นําไปสู่พบมันก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตอนตอนขั้นต้นเราเจ็นว่าเป็นกิเลสกรรมวิบากเหมือนกันแต่เป็นกิเลสกรรมวิบากในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาติในแต่ละขณะเนี้มันมีอาการของกิเลสกรรมวิบากอยู่ ที น, นี้ก็ทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานว่าในปฐมยามแห่งราตรีนะฮะทรงเปล่งว่าเมื่อได้แล่ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่แพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุคือความเพียรเพ่งเนี่ยมันก็ได้แก่การปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคอริยมรรคทั้งแปดประการนั่นเอง คือสีเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพอประทับนั่งเจริญสมาธิอาการทางกายทางวาจาก็าสงบมันก็เป็นสีนแล้วพอนั่งเข้าสมาธิมันก็เป็นสมาธิไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆก็จนได้วันลุชานอย่างที่บอกไว้ว่าออทรงทบทวนถึงรูปฌานรูปฌานที่ได้ในสำนักอาจารย์ทั้งสองมาก่อน ก่อนที่จะเส็จขึ้นไปประทับบนพระแท่นเนี่ยภายใต้ต้นอัสัตตพฤษหรือต้นมาโปแล้วก็จากนั้นก็สภาพประทยของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลส เ, เป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงสิ่งต่างๆก็เกิดพยานขึ้นตามลำดับดังกล่าว ทีนี้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ศัสรูปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแต่ว่านำมาพิจารณาทบทวนเขาเรียกว่าโดยนโรบติโลมือถอยหน้าถอยหลังได้มันมีความจำนิดจำนานเพราะเพียนเพ่งมันจึงเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาแต่ว่าเมื่อขจัดความสงสัยทั้งปวงเนี่ยถ้าเ้าเรียกระดับ ระดับวิสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่ากังขาวิต า, าวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเราเห็นว่าตรงนี้ก็เริ่มต้นจากโสดาปฏิมาคไปนะฮะคือกระจัดความสงสัยความสงสัยที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความสำคัญของพุทธ บ, บริษัทแล้วก็เป็นปัญหาคาใจคาโลกอยู่ตลอดระยะเวลา คือความต้องใยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระตรงในใจสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการแต่ละข้อนั้นนะต้องลองสังเกตว่ามันที่จริงเป็นพวกเดียวกวาพิจาราความต้องใสก็คือโมหะวิชาก็คือโมหะ และวิชามันเป็นกรารไม่รู้ถึงอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วก็กฏของประแจการกฏนี้ยกฏปฏิจจสมบัตินี่มันเป็นวงกลมที่หมุนหลุดเนื่องกันไปได้เองเางการขจัดความสงสัยในพระรัตนตรัยนีน่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเราก็คงเย่าไ ป, ปรู้มากผลยังไม่ได้นะ แต่วาทำยังไงจะใช้หลักของโยนในโสมานติการบ้างหลักของศรัทธาบ้างโยนในโสมานติการนั้นเป็นอาการของปัญญาศรัทธาก็คือศรัทธาคือน้อมใจเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างบันาลที่เกิดขึ้นในระยะใกล้ๆเนี่แตนเมตตานำโทรเขียนเรื่องพระพุทธเจ้ารประนิพพานด้วยพระโรคอะไรอ่ะ คือไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่เลยแล้วไม่น่าจะเป็นพระด้วยนะถ้าเป็นพระแล้วก็ควรจะศึกไปด้วยคือถ้าเขียนหนังสืออย่างนี้ได้เนะี่ยเราก็ไม่เคยพบวพระพูดโดยขาดสมาคารวะต่อพระพุทธเจ้าขนาดนี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเธอเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธคุณไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นจริงๆ คือเรื่องพระพุทธคุณนั้นเป็นเรื่องที่เรายากยากที่จะยั่งรู้ได้คือสติปัญญาเราในท่านเทียบเหมือนกับมาเล็ดผันผักกาดแล้วไปเทียบกับขอบสุเมนเนี่ยมันห่างไกลกันมากบางส่วนใหญ่เราจึงต้องใช้ความเชื่ อ, อแล้วก็จับความเชื่อที่พระพุทธเจ้าให้ได้ แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นเรื่องความหนักแน่นมั่นคงภายในความเชื่อตรงนั้นระดับศีลธรรมจัร ญ, ญานั้นก็คืออะไรคือใครจะพบผู้มีศีลมีความพอใจสนใจใส่ใจที่จะพบท่านผู้มีศีลแล้วก็มองเห็นโทษของความเจนีทีเหนียวทั้งหลายเพราะความเจนีนั้นเป็นอาการของโลภะโดยโทสะด้วยนะฮะ ให้เราสังเกตว่าบางกรนีเราเสียดายของเราไม่ให้ก็แสดงว่ามันเป็นอาการของโลภะบางครั้งเราไม่ชอบคนที่เราจะให้เราไม่ให้ก็แสดงว่าเป็นอาการมโทุสังแต่เมื่อพลังศรัทธามันเกิดเนี่ยมันจะไปขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจะน้อยก็ลดลงไประดับหนึ่งนใจนิตใจนั้นพร้อมที่จะ ปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการลดโลภะโทสะลงไปคือถ้าเรามองถึงว่าผลตรงนี้มันมาจากศรัทธาก็จะพบว่าพลังของศรัทธาได้ทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อความเคลื่อนแคลงสงสัยความโลภแล้วก็ความโกรธออกไปใจจึงขจัดมูลทินคือความดันนีออกไปได้ เราเห็นแสงสว่างรอบตัวรอบจิตแล้วก็ใครที่จะฟังธรรมของสัตบุรุษมีความพอใจใส่ใจสัทธมังโสตุมิชติคือปรารถนาที่จะฟังซึ่งประสัทธรรมเป็นการแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของศรัทธาแล้วของปัญญา แต่ว่าในตอนต้นๆเราก็เริ่มที่ศรัทธาทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าได้ประธรรมนั้นไปยึดโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผลตรงมาจากการศัโรู ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อมั่นในประธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นบุคคลที่มีหนะ้าที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็สัมผัสผลแล้วก็เผยแผ่แต่สัมผัสผลเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนะคือเราไม่รู้ แต่ว่าการศึกษาการปฏิบัติการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นก็สัมผัสพะะน้นภารกิจของท่านเป็นการพิสูจน์ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมคือสามารถจะเปลี่ยนแปลงคนเราลองดูถึงว่าเอาในเมืองไทยเรานี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกว่าวัดใหญ่ อย่างวัดมหาธาตุวัดโพวัดดารุนวัดนครประถมวัดออพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ย mm hmm. ก็เรียกวัดชั้นเอก mm hmm. กษัตริย์สร้างแต่สมภารเหล่านั้นลูกชนชั้นกันมาชีพลูกชาวนาและสามารถสร้างสรรพัฒนารักษาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ นั้นก็แสดงว่าพระธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนได้จะชนชั้นกันมาชีพขึ้นมาอยู่เป็นฐานะของปูยชนนี้บุคคลเป็นที่เคารพสักการะแม้แต่ตแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในบ้านเมืองเราสิบเก้าพระองค์นะฮะคือเราจะเห็นว่าเอาตั้งแต่รัตนโกสินทร์เนี่ยสิบเก้าพระองค์ก็มีลูกของสามัญชนอยู่เยอะมากกว่าที่เป็นที่เป็นเจ้าคุณมุ น, นายที่เป็นเจ้านาย แต่ท่านเหล่านั้นก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นพุทธบริษัทคารวสสถานคือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัทต่างหลายได้ก็หมายความว่าธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้จริงแล้วมีผลประเสริฐจริงเป็นตัวอย่างที่เชียวบุคคลเห็นได้แล้วก็ใจสิขาที่จริงก็คือธรรมะ แต่ว่ากําหนดเอาไว้เป็นระบบในการศึกษาประพฤติปฏิบัติในการมองนั้นก็เอาเพียงแต่ว่าจสจิขาก็คือกระจัดโรค ก, กดลงเห็นังว่าสีนิ่นเน้นปฏิโลคสมาธินเน้นปฏิโกรธแล้วก็ปัญญาเน้นปฏิลงเราก็ขอเพียงแต่ว่าเดินเสด็จรอโยคนบาทของพระองค์ โดยการพยายามพัฒนาปัญญาอย่างระดับที่เรียกว่ามีเหตุมีผลขึ้นไปอยู่ระดับมีเหตุมีผลได้เนี่ยมันจะเกิดสภาพจิตที่ยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันยอมรับสิทธิในชีวิตของกันและกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันยอมรับสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันคือหมายความว่าในตัวชีวิตนะ่ะเราไม่อ เราไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฆ่ า, าพยาบาทในตัวทรัพย์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยก็ได้ไม่มีชีวิตด้วยก็ได้เนี่ยเราไม่โลภอยากได้คกิดทำไมเจ้่ของเรามันมีความชัดเจนเลยนะฮะว่าสามารถสร้างสังคมที่เป็นสันติได้เป็นสันติระดับศีลธรรมจรร ญ, ญาไม่ใช่สันติระดับนิพพานนะแต่นั่นก็คือการดับกิเลสได้ชั่วขณะหนึ่งในรูปของ เขเรียกว่าสันทิติกังนิพพานังนิพพานเดีนได้ในขณะนั้นๆเป็นตทาทังกับ น, นิพพานคือดับได้ด้วยองค์นั้นๆด้วยกรณีด้น น, น, น, นั้นแต่ว่ากําเลังเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่าก็เป็นบัตรไดบันไดที่จะก้าวนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้านในโอกาสต่อๆไปทถึงเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราพิสูจน์ได้ อดีตเนี่ยอนาคตเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันมีฐานในการคิดแต่เช่นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นว่ามั น, ม, นมันมองได้ทั้งสามการอดีตก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นที่จริงที่เราเห็นเราเห็นปัจจุบันแต่ว่ามันอดีตมันเคยเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นอนาคตเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันครอบคลุมสพรพพสิ่งเอาไว้ แล้วพอไปถึงกฎของปัจจัยาการเราก็ใช้ปัญญาได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเราก็เชื่อเอานะเช่นพูดถึงระดับของสังสารวัฏระดับว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนาทรายเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตเหตุเป็นปัจจุบันผลเป็นปัจจุบันเหตุเป็นอนาคตผลซึ่งจะกล่าวแนวการต่อไปเนี่ยไอตรงนี้เราต้องเชื่อ มันเราอย่างไม่ถึงไงมันมันมันยากมากสลับซับซ้อนมากอัตมาตอนศึกษาปฏิจจสมบาทต้องการทำความเข้าใจนะะไม่ใช่ว่าต้องการจะบรรลุรู้แจ้งอะไรก็ต้องการทำความเข้าใจาอธิบายได้เนี่ยใช้เวลานานนะเราต้องถกเฉียงต้องอภิปรายกับครูบาอาจารย์เจอต้องนั่งคี้แจงประเด็นประเด็นกันไปแล้วศึกษาค้นคว้าเยอะกว่าจะพออธิบายได้ เคยคุยก็หลวงปู่ยาบุรดมสนกิจการโรท่านมรณภาพไปนานแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยอธิบายฟังหน่อยไม่เข้าใจเลยจับประเด็นไม่ได้หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเองไม่กล้าอธิบายแล้วท่านก็ไม่กล้าขีดเขียนไม่กล้าเทศไม่กล้าขีดเขียนไม่กล้าอธิบายเพราะท่านเองก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในเชิงปริยัตินะในเชิงปฏิบัติเราก็ทําไม่ได้อยู่แล้ว เพรกดตรงนี้ก็คือกฎของเหตุผลแลือว่ากันตามความเป็นจริงปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยรสัจสี่สัจสีก็คือปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอริยสัจใหญ่คือมันขยายออกไปเลยปิชาดันแต่ถ้าเราจับดูนะเราจับดูเราจะเห็นว่ามันก็มีทุกมีสมุทยัยมีนิโรธแล้วก็มีมาก แต่พอดีเนี่ยที่ที่ทรงพิจารณาตอนแรกที่เรียกอนุโลมเนี่ยพิจารณาสายเกิดสายเกิดมันก็เป็นทุกข์กับเป็นสมุทัยนะถ้าถ้าเราแยกให้ดูก็จะเห็นว่าอาวิชชานั้นก็เป็นสมุทัยอวิชชาสังขารตัหาวปาทานเนะี่ยที่จึงสังขารนะเป็นผลของสมุทัย เพราะ่ในตัวกิเลสจริงๆก็คืออวิชชาตัญหาอุปาทานแล้วกรรมพบตัวนี้เป็นผลของกิเลสก็เป็นตัวเหตุทังนั้นก็เป็นผลนามารูปอายตนาผัสสะเวธนาตัญหาไม่ใช่มาถึงเวธนาแล้วก็ต่อไปก็เป็นชาติชรารนาโสกาอะไรต่อะไรเนี่ยมัน ก, ก็เป็นผลเราแสดงว่าเป็น เป็นทุกขษัตริยนะ์ะฮะเป็นพวกทุกขษัตริย์เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปริยายของธรรมะที่ทรงแสดงในช่วงตรงนี้จะมีนัยยะที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าทำความเข้าใจน่าศึกษาคือถ้าหากว่าเราเอาแต่เรียกเรียกว่าเข้าใจได้นะมาจนถึงกับบรรลุได้เนะี่ย มันก็ทําให้เราเข้าใจธรรมะในเราอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเด็เราจะศึกษาข้างหน้าเนี่ยแต่จะหาความหารายละเอียดในตรงนี้ให้ได้วันใตร่มมาโพธิญาณเนี่ยมันจะมีนัยยะที่ที่น่าศึกษาเพราะว่าแต่ละข้อแต่ละประเด็นเนี่ยมันแสดงให้เห็นเรองอะไรว่าในประเด็นของอุทานเนี่ยเราสังเกตว่าเมื่อนั้นความสงสัยตั้งปวงของพรานนั้นย่อมสิ้นไป ประามารู้ธรรมพร้อมทังเขตนะธรรมในที่นี้ก็คือทุกนะรู้ทุกพร้อมตะเหตุก็คือสมุทยัยเฉพาะช่วงตรงนี้นะฮะเฉพาะช่วงส่วนนี้เพราะว่ายัางกะเป็นการพิจารณาสายเกิดคือสายสมุทัยกับสายทุกข์สัตว์ที่จะมีนัยยะวิจิตพิสดารเน่วัดออกรรไปด้วยมันก็กลับเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่า ถ้าจับใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่เนี่ยมันเลิกพูดเรื่องอื่นเนี่ยเลิกพูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอะไรต่อหมดเพราะว่าอย่าลืมถึงสังโยชน์ข้อแรกมันเป็นสักกายะทิชฌ์คือความเป็นตัวเป็นตนหรือว่าถือตัวถือตนตนเป็นรูปรูปเป็นตนต น, ตนมีในรูปรูปมีในตนพูดง่ายๆว่าเป็นสักกายะ20 ในขันทั้งห้านะฮรตนถ้ายัางมีตัวตนอยู่เนี่ยมันเลิกพูดเรื่องนิพพานเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าเป็นอัถนะคือเป็นไปไม่ได้ที่ทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือบุคคลที่มีความสมบูรณ์เลยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยจะมีความเห็นว่าธรรมต้งปวงเป็นอ น, รรนัตตานะ เพนถ้าถึงจุดที่จะเข้าประตูปณิพันธ์แล้วต้องเห็นว่าทมทั้งปวุงเป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันต้องไปลดตัณหามานะทิฏฐิออกไปโดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยมันจะลดไปเยอะเราจะเห็นว่าท่านจึงเป็นทิฏฐิสัมปันโนบุคคลมานะนั้นแน่นอนเป็นกิเลสที่ละเอียดนะฮะต้องระดับพระหานี่แกะละได้หมดอระดับตัณหาก็ ระดับพระนาคามีจึงละได้แต่ว่าระดับพระโสดาบันเนี่ยมันต้องทำลายตัวสกัดริทิฏฐิตรงนี้ออกไปจึงจะชื่อว่าเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเวตานี้เราพูดกันเยอะแต่เราไม่ได้นึกว่าตรงนี้เป็นหลักการสำคัญว่าถ้าเธอยังมีอัตราตัวตนอยู่เนี่ยเธอยังไม่ไปไหนหรอก แม้แต่โสดาบันเธอก็ยังไม่ได้ไปไม่ต้องพูดถึงวันนิพพานเบื้องสูงขึ้นไปพวกนี้จะยันกันนะหมายความว่าถ้าสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งต้องไม่มีแล้วมีด้วยกันไม่ได้นะระหว่างศรัทธากับความไม่เชื่อนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อมีศรัทธาก็ต้องขจัดความไม่เชื่อถ้ายังมีความไม่เชื่อก็แสดงว่าไม่มีศรัทธามันก็ตรง น, นั้นต้องฟังทนาด ในหรมประพตทธาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญห้องงามไพศาลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี